ใดก็เหมือนกันถ้าขาดความเมตตาขาดความสมัสมาสามัคคีกันเนี่ยนะทุกคนเก่งหมดเลยอันนี้ก็ยุ่งมากๆเลยเนี่ยนะทุกคนเป็นผู้บริหารหมดเลยเนี่ยนะแล้วก็ทุกคนก็ออกสิทธ์คือไอ้การออกสิทธิ์ออกเสียงเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่การนําเสนอมากเกินไปก็ไม่ดีแล้วก็คนเนี่ยแปลกนะชอบเสนอในสิ่งที่ตัวเองไม่ทําไม่รับผิดชอบเออนี่อันนั้นสิอันนั้นสิดีอันนี้สิดีนั่นก็บอกว่าขอมานณะตอนหลังไม่ค่อยมีคนเสนอทําไมรู้ไหม เขามาง่ายบอกเออเนี่ย e, ท่านทำอย่างนั้นไหมบอกว่าแล้วยมจะทําอย่างนี้เมื่อไหร่เขาก็ไม่ถามเราละเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเรื่องคุยเนี่ยเออเขาก็เป็นงกันนะนะตอนหลังก็ไม่ค่อยมีกล้ามาคุยอันนั้นท่านจะไปนั่นไหมท่านจะทํานี่ไหมตอนหลังบอกเออแล้วคุณจะทําเมื่อไหรแล้วคุณจะทํำยังไงเนี่ยนะก็ไม่ตอบคือชอบโยนภาระไปให้คนอื่นเนี่ยนะชอบโยนภาระไปให้คนอื่นแล้วทําไมเราต้องโยนภาระไปให้คนอื่นสิ่งไหนที่เราทําได้เราก็ทำซี่เนี่ยนะแล้วทําไมเราต้อง เรียว่าอะไรนะปาภาระไปใส่หัวคนอื่นให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอันนี้จะต้องระวังหน่ยนะต้องระวังว่า อ, อย่าทำภาระอย่าใส่ภาระให้คนอื่นเพราะคนอื่นเขาก็มีภาระหนักหนาอยู่แล้วเนี่ยนะไม่ต้องขวนขวายใส่ภาระไปให้คนอื่นรอกทุระเนี่ยควรทาแต่ทุระใช่ไหมอย่าทำอย่าสร้างภาระเพิ่มเลยควรทําอะไรสมถะทุระคันถะทุระกับ อะไรนะคันธุระกับวิปัสนาธุร ะ, ระเท่านี้ก็เป็นภาระใหญ่แล้วเนี่ยนะไม่ต้องไปหาภาระอื่นๆมาเพิ่มเติมให้มันหนักหนักนวงให้มันเดือดร้อนกว่าอยนั้นอีกแล้วเนี่ยนะมันทำยังไงที่จะเจริญคุณธรรมให้ให้คุณธรรมเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนั้นแหละเป็นภาระที่สำคัญเพรา ะ, ะนั้นความมีเมตตาต่อการความสามัคคีต่อการนี่แหละจะเกื้อกูลกันให้เราทั้งหลายเนี่ยเจริญด้วย กุศลธรรมเจริญด้วยคุณงามความดีเช่นกับพระเยเจ้าทั้งหลายที่มีในอดีตเนี่ยนะท่านก็ย้อนกลับมาถึงกลุ่มพวกเรานิดหน่อยว่าอะไรที่มันเป็นภาระเนี่ยอย่าไปโยนให้คนอื่นมากเลยนะพรานใครเสนออะไรก็คิดว่าตัวเองทำได้ไหมถ้าคิดว่าทำได้แล้วค่อยเสนอถ้าทำไม่ได้ก็อย่าไปเสนออย่าไปขายฝันมากเลยเนี่ยนะมันกลางวันอยู่เนี่ยนะนี่ย้อนกลับมา ในหน้าเจ็ดอีกครั้งหน้าข้อ366ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ายัางจิตของพระองค์เนี่ยยังท่านอนุรุทธะท่านพระนันทยะท่านพระกิมมิละให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถานให้ร่าเริงด้วยธรรมมีกะถาพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมธรรมที่ว่านี่คืออะไรแสดงว่าด้วยอนิสงค์ของความสามัคคีเนี่ยนะแสดงสรรเสริญยกย่องชมเชยว่าคุณธรรม ปฐมฌานก็เกิดจากความสามัคคีทุติยะฌานตาติยะฌานจตุตฌานจนถึงเนวสัญญานาะสัญญายาตนะนิโรสมาบัติทั้งโลกิยะสมาบัติโลกุตระสมาบัติทั้งหมดเหล่านั้นพวกเธอทั้งหลายได้เพราะความสมัครสมานสามคัคคีปรองดองกันมีเมตตาต่อกันและกันเป็นต้นดังที่กล่าวไปแล้วเมื่อพระองค์แสดงธรรมจบพระองค์ก็เสด็จเลีกจากไป ท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทียะท่านพระกิมิละก็ส่งเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นกลับจากที่นั้นแล้วท่านพระนันทียะและกิมิละก็กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะว่าพวกกระผมได้บอกคุณวิเศษอันนั้นแก่ท่านอนุรุทธะอย่างนี้ห ร, หรือรว่าพวกเราได้วิหารสมาบัติเหล่านี้ได้เหล่านี้ผมเคยบอกท่านไหมว่าผมได้ปฐมฌานทุติยฌานได้รูปฌานอรูปฌานได้นิโรสมาบัติได้อนุปุปภะวิหารสมาบัติเก้าผมเคยบอกท่านไหม พระนุรุธะประกาศคุณวิเศษอันใดของพวกกระผมจนตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงสิ้นอาสวะเฉพาะพระพักพระพุทธเจ้าผมเคยบอกท่านอย่างนี้ไหมอันนี้ไม่ได้ถามหาเรื่องอนะแต่ว่าถามใครว่าแหมคือคื อ, คอพูดอย่างนี้ได้ยังไงนะเป็นคําถามสอบถามดูพระนุรุธะก็บอกว่าพวกท่านผู้มีอายุไม่เคยบอกกระผมรอกว่าพวกท่านได้สมาบัติเหล่านี้เหล่านี้ แปลว่าผมกําหนดใจของพวกผู้มีอายุด้วยใจผมเนี่ยกำหนดใจของท่านด้วยใจของผมว่าท่านผู้มีอายุเหล่านี้เนี่ยได้วิหารสมาบัติเหล่านี้เหล่านี้แม้เท ว, วดาก็บอกเนื้อความนี้แก่ผมว่าท่านผู้มีอายุเหล่านี้ได้วิหารสมาบัติเหล่านี้เหล่านี้ด้วยก็คือแปลว่าแต่ละวันเนี่ยท่านรู้ท่ากระตรวจดูเพื่อนเข้ า, ขากันยังไง เ, เข้าสมาบัติอะไรกันและเท ว, วดาก็มาเล่าให้ฟัง วันนี้นะองนั้นเข้าสมาบัตินั้นวันนั้นองค์นั้นเข้าสมาบัตินี้เนี่ยนะเพราะว่าพ่านรูรูทาเนี่ยปกติเขาคุยกับพรหมเนี่ยนะสนทนากับพรหมพรหมชั้นสุดทาวาสพรหมพระอาหารทั้งหลายก็จะสนทนากันเพราะฉะนั้นกระผมก็เลยเพยากรณ์ทั้งหมดเนี่ยถวายแด่พระพุทธเจ้านะทุกคนก็แยกย้ายกันหลีกเล่นไปลําดับนั้นทีฆะปะระชนยักษ์อันนี้เขาเป็นใครทีฆะทีฆะ พระราชนยักษ์เนี่ยเป็นเสนาบดียักษ์ยี่สิบแดองค์เนี่ยนะหนึ่งในยีสิบดคือทาเวสวรรค์นเนี่ยมีเสนาบดีใหญ่ๆอยู่เลยยี่ดท่านเนี่ยนะที่ปกครองประชายชนทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ทีฆะพระชนยักษ์เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับทว่าให้บังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เป็นราบของชาววัตชีประชาชนชาววัตชีได้ดีแล้วเหตุที่พระตถ า, าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนคนแถวนั้นก็ถือว่าได้ดีใช่ไหมและกุลบุตรทั้งสามท่านคือพระอนุรุท ธ, ธะ นันทิยะกิมิละมาพำนักอยู่ถือว่าได้ดีถือว่าเป็นลาบแล้วของชาวเควนวัตชีที่มีพราอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีผ้าอรหันตสาวกมาอาศัยอยู่นนะ เ, นยเนี่ยนะทีฆปรัชนยักษ์เนี่ยเปล่งเสียงดังมากเลยนะพวกพุทมเทวดาฟังเสียงของทีฆะปรัชนยักษ์แล้วก็ประกาศต่อไปว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลายเป็นลาบของชาววัตชีประชาชนชาววัตชีได้ดีแล้วในเพราะเหตุที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประทับอยู่และกุรบทสามท่านคือท่านพระอนุรุทธะนันทยะและ ก, กิมบิละมาพักอยู่ก็ถือว่าเป็นลาบเป็นความได้ดีของของอะไรของชาววัตชีเนี่ยนะเทวดาชั้นจาตุ ม, มหาราชก็บรือเสียงว่าโอ้ประชาชนชาววัตชีได้ดีแล้วเนี่ยนะ ดาววดึงก็ได้ยินดาววดึงก็เปล่งเสียงว่าประชาชนชาววัตชีได้ดีแล้วเนี่ยนะก็เปล่งเสียงดังต่อถึงยามาดุสิตนิมมานราดีปารณิมมิตรวสวัสดีเสียงก็กระชอนไปถึงพรหมโลกบอกว่าอ่นะพวกพรหมเขาได้ยินว่าเป็นลาภของชาววัตชีประชาชนชาววัตชีได้ดีแล้วเหตุที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่และกุลบุตรสมท่านคือท่านท่านนุรุทธนันทยะและกิมีกิมีระมาพักอยู่ เรียกว่าบรรลือลั่นพ อ, พอกับประกาศธรรมจากเลยนะโอ้ได้ดีจริงๆชาวบ้านชาวเมืองเขาได้ดีมากเพราะฉะนั้นโดยขณะครู่หนึ่งนั้นเสียงได้เป็นอันรู้กันทั่วจนถึงพรหมโลกด้วยประการชนนี้เสียงดังกระหึ่มไปจนถึง พระมโลคพระผู้มีพระภาคเจ้า ก, ก็ตรัสว่าดูก่อนทีคะข้อนี้เป็นอย่างนั้นดูก่อนทีคะข้อนี้เป็นอย่างนั้นกุลบุตรทั้งสานี้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตจากสกุลใดถ้าสกุลนั้นเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้งสนี้ข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อกูลเพื่อความสุขแก่สกุลเหล่านั้นตลอดกาลนานโอ้ดีแล้วละ่ะถ้าถ้าได้เลื่อมใสในในท่านผู้นี้เนี่ยนะทั้งสามท่านเนี่ยมาจาก อาบวชมาจากใดญาติญาติสกุลก็คือเครือญาติทั้งหลายเนี่ยถ้าเลื่อมใสในสามท่านนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขกุลบวรทั้งสามนี้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรปชิตจากวงสกุลใด วงสกุล น, นั้นเลื่อมใสเนี่ยถ้าวงสกุล น, นั้นมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกลุ่มบททั้งสามนี้ข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่วงสกุลเหล่านั้นตลอดกาลนานอันนี้เท่ากับสรนเสริญอะไรสันเสริญการเจริญสังขานุสติโดยยกพระอนุรุทธะกิมมิละแล้วก็นันทยะเป็นตัวอย่างเนี่ยนะในว่าการเจริญสังขานุสติระลึกถึงกุ่มบทสามท่านที่เป็นผ่าหันผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิ ปัญญาเนี่ยนะสมบูรณ์ด้วยโลกิยะคุณโลกุตรคุณดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพราะฉะนั้นกุลบุตรทั้ง3ออกจากเรือนบวชเป็นบรนตชิตจากหมู่บ้านใดถ้าหมู่บ้านนั้นมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้งสข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่หมู่บ้านนั้นตลอดกาลนานถ้าสกุลทั้งสออกบวชจากอ่าออกบวช ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากนิคมนิคมก็คือตำบลเ parole, นี่ยนะนิกท่านิคมนั้นมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เ พ, พ humanos, ื่อความสุขแก่นิคมนั้นตลอดกาลนานถ้ากุลบุตรทั้งสามนี้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากนครใดท่านครนั้นคือนครคืออำเภอหรือจังหวัดเนี่ยนะเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้งสนี้ข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่นคร น, นั้นตลอดกาลนานถ้ากุบุตรนั้นเนี่ยนะอ่ากุรอบดทั้งสานั้นออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากชนบทใดถ้าชนบทนั้นมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุบุตรทั้งสานี้ข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนบทนั้นตลอดกาลนานถ้ากษัตริย์ท้าพราหมณ์ท่าแพทย์ท่าสูตร คือทุกชาติชั้นวั น, นะเนี่ยนะระลึกถึงกุลบุตรทั้งสข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรทุกชาติชั้นวันนะถ้าโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์มีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้ง3ท่านนี้ข้อนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวโลกแก่เทวโลกมารโลกพรหมโลกแก่หมู่สัตว์พร้อ ม, ม, อมทั้งสมณะพราหมณ์ เท ว, วดาและมนุษย์ตลอดกาลนานดูก่อนทีคะท่านจงเห็นเถิดกุลบร ท, ทั้งสามนี้ปฏิบัติเพียงเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนจำนวนมาก เพราะอะไรเพราะผู้มีศีลเนี่ยนะผู้มีความสามคัคคีมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานุทัศนะผู้สมบูรณ์ด้วยโพธิปัขจะธรรมผู้ปฏิบัติตามคำสอนทั้ง3ท่านเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนจํานวนมากการปฏิบัติของท่านก็เพื่อความสุขแก่ชนจํานวนมากเพราะอะไรเพราะก่อนจะฉันอาหารก่อนจะไปบิีทบาทท่านก็เข้าพร ะ, ะสมาบัติเป็นต้นหลังจากที่ฉันอาหารเสร็จแล้วท่านก็กลับมาเข้าพระ สมาบัติเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะพระองค์ตรัสว่าประชาชนถวายทานแก่ผู้ที่เข้าสุญตะสมาธิอนิมิตะสมาธิอัปนิหิตสมาธิเข้าโสดาปฏิผลเป็นต้นเนี่ยนะผลบุญกุศลที่ได้ถวายทานกับท่านเหล่านี้เนี่ยนะเป็นผลบุญที่หาประมาณไม่ได้ดังนั้นการปฏิบัติตัวของทั้งสมท่านนั้นจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนจํานวนมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นลาบของชาววัดชีใช่ไหมที่ชาววัดชีได้เฝ้าพระพุทธเจ้าได้เห็นกุลบดได้ถวายบังคมได้ถวายทัยทานเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่กระทานั้นชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลของ สภัสตร์ทั้งหลายเหล่านั้นเพราะกุลบดเหล่านั้นเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีคุณธรรมถึงพร้อมด้วยอาจาระมีคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะอย่างที่ว่าอนุปุปภะว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยได้เป็นผู้มีศีลอินทรีย์สังวรมีความสันโดษ นะมีสัมปชัญญะสีในฐานะเจ็มีปฐมฌานทุติยฌ า, าน ต, าตัตยฌ า, านจตุตฌานมีรูปฌานอารูปฌามีอนุปัสนาเจ็มีโสดาปติผลสกัดทาคามีผลอานาคามีผลอรหัตผลเป็นต้นเนี่ยนะท่านเหล่านั้นเข้านิโรสมาบัติซึ่งคุณธรรมของท่านเหล่านั้นถ้าตระกูลเหล่านั้นเนี่ยนะมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงคุณของท่านทั้งสมเหล่านั้น น, น, นั่นแหละจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อกูลเพื่อความสุขแก่ สรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นที่ระลึกถึงพระสงฆ์เนี่ยนะมันสูตรนี้เป็นการสูตรเป็นสูตรที่สรนเสริญสังฆคุณเนี่ยนะเป็นเป็นสูตรที่ยกย่องของอผู้ประพฤติดีผู้ปฏิบัติ ช, ชอบทั้งหลายเนี่ยนะมันก็จากการการแสดงถึงอนิสงค์ของความสามคัคคีการปฏิบัติดีของพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าการปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ของ สาวกพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะก็ขอให้เราทั้งหลายจงเป็นผู้ที่ดํารงอยู่ด้วยความสามาคัคคีเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมีเมตตากันเข้ากันได้เหมือนน้ากับน้นํานมอมองกันด้วยสายตาอันเป็นที่รักแล้วก็ด้วยความเมตตาสมัครสมาสามัคคีปล o n ดอมเจริญกุศลธรรมให้งอกงามยิ่งยิ่งขึ้นสามารถตรัสรู้ธรรมตา ม, ตามพระพุทธเจ้าโดยทั่วกัน น, นะนะสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้